วินีตะวัตถุเจ็ดในหัวข้อเหล่านั้นวินีตะวัตถุเจ็ดเป็นไนคือ 1. การเว้นไกล 2. การเว้นขาด 3. การงดเว้น 4. เจตนาเครื่องงดเว้นจากกองอาบัตเจ็ดความไม่ประกอบ 6. การไม่ทำการไม่แกล้งต้องการไม่ละเมิดเวลา7 การกําจัดด้วยอริยมรรคชื่อเสตุนี้คือวินีตวัตถุเจ็ดอย่าง